มาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายปฏิบัติตามเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเป็นคำสอนที่ตายตัวที่แน่นอนที่ถาวร ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปกับการกับเวลาไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคำสอนสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกกี่พระองค์ก็ตามทุกๆุกพระองค์จะทรงสอนคำสอนเหมือนกันหมดคือสอนให้หนึ่ง ละการกระทำบาปทั้งปวงสองยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าการกระทำทั้งสามข้อนี้เป็นการกระทำที่จะทำให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจาก ความทุกข์ทั้งปวงได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายที่สัตว์โลกยังต้องพบกันอยู่กราบใดถ้ายังไม่ได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้า สตราบใดที่ยังไม่ได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัตินี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าที่พวกเรากร า, าบไหว้บูชากันอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์เดียวมีพระพุทธเจ้าเหมือนกับที่เราก า, กาบว่ากันอยู่นี้ มากมายที่ผ่านมาแล้วในอดีตและที่จะมีต่อไปในอนาคตเปลี่ยงแต่ว่าการปรากฏขึ้นมาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้เป็นการปรากฏขึ้นมาได้ยากมากยากยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาในมหาสมุทรด้วยการหลับตา หลับตา ง, งมเข็มในมหาสมุทรนี่ยังง่ายกว่าการเกิดขึ้นมาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นาน น, านถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแต่ไม่ว่าจะมีกี่พระองค์ก็จะทรงสอนเหมือนกันหมดทั้งที่ไม่ได้ไปศึกษามาจาก รูบรูปเดียวกันแต่ก็จะรู้เหมือนกันหมดรู้วิธีการดับทุกข์ที่มีวิธีเดียวผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะรู้ว่าวิธีนี้เป็นวิธีเดียวเท่านั้นะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ตอนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเหมือนพวกเราที่ตกอยู่ในกองทุกข์ต่างๆและมีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆพระพุทธเจ้าจึงพยายามทรงค้นคว้าหาวิธีการดับทุกข์จนในที่สุดก็สามารถพบวิธี ที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ได้หมดสิ้นไปพระองค์จึงกลายจากบุตุชนมาเป็นพระอาหารหันตสัมมาสาัมพุทธเจ้าหรือเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าเป็นผู้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยการศึกษาค้นคว้าและการปฏิบัติด้วยตนเอง เพราะไม่มีใครที่รู้วิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปศึกษากับใครก็ไม่มีใครรู้ว่าวิธีดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงและถาบอนนั้นดับได้อย่างไรก็เลยต้องไปศึกษาไปค้นคว้าไปปฏิบัติไปลองผิดลองถูกเอง จนในที่สุดก็ได้พบทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์พบวิธีการปฏิบัติที่ได้ทรงนำเอามาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกในลำดับต่อไปก็คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้สร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้กำจัดชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัด กิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองที่ทำให้จิตใจไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ที่ทำให้จิตใจต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของบุคคลอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นพวกเรานี้เป็นถือว่าเป็นบุคคลที่ ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปแล้วมาประกาศพระธรรมคำสอนสั่งสอนพวกเราอีกทอดหนึ่งถ้าพวกเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้มาสั่งสอนพวกเราพวกเราจะไม่มีวันที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เลยเราจึงต้องรอโอกาส ที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งโอกาสที่จะมีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราได้มาเกิดในจังหวะที่มีพระพุทธเจ้าหรือมีพระพุทธศาสนานก็ถือว่าเป็นโชคมหาศารเป็นโชคันยิ่งใหญ่เป็นโอกาสเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เรา ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงและถาวรเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้โอกาสทองนี้หลุดมือไปโดยที่เราจะไม่ได้รับประโยชน์จากการได้มาพบกับพระพุทธศาสนากันเราควรที่จะเรียบขวนควาย ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทรงสอนให้ปฏิบัติอย่างไรเมื่อรู้แล้วก็ให้นำเอาไปปฏิบัติเพราะเมื่อเราปฏิบัติแล้วเท่านั้นเราถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพียงการศึกษาเฉยๆนี้ไม่พอเพียง การศึกษาไม่ได้นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการศึกษานี้นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าปฏิบัติก็จะปฏิบัติไม่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องผลก็จะไม่เกิดขึ้นผลที่ต้องการคือการหลุดพ้น จากความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นผลที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์นี้จะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างถูกต้องก็ต้องศึกษาก่อนศึกษาพระธรรมคำสอนก่อน เมื่อได้ศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็จะเป็นผลที่จะปรากฏขึ้นมาตามการปฏิบัติของเราดัางนั้นเราอย่าปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ผ่านไปโดยไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนเลย โดยไม่ได้ศึกษาเพระทรรมคาสอนเลยเพราะว่าเวลานี้มันจะหมดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะไม่มีเหลืออยู่คือเมื่อชีวิตเราพบกับการสิ้นสุดคือพบกับความตายเราก็จะไม่สามารถที่จะศึกษาไม่สามารถที่จะปฏิปฏบัติได้ ผลที่เราต้องการคือการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาแล้วเมื่อเราตายไปแล้วเวลาที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกก็จะไม่มีไม่แน่ว่าจะมีพระพุทธศาสนาอยู่เหลืออยู่หรือเปล่าถ้าพระพุทธศาสนา ของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้หมดไปเสื่อมไปจางหายไปถ้าเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะไม่มีพระพุทธศาสนามาสั่งมาสอนมาบอกวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่พวกเราพวกเราก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ ของการเกิดแก่เจ็บตายของการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยเราก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆ อ, อีกเป็นล้านล้านชาติด้วยกันจนกว่าเราจะโชคดีได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะเป็นคำสอนเหมือนกับคำสอน ที่เราได้ยินได้ฟังกันในขณะ น, นี้อีกล้านล้านชาติข้างหน้าถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาใหม่คำสอนของพระพุทธเจ้าใหม่นี้ก็จะเป็นเหมือนกับคำสอนของพระพุทธเจ้าในองค์ปัจจุบันนี้สอนเหมือนกันสอนให้ละการกระทาบาปทั้งปวงสอนให้ยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม สอนให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือคําสอนที่พวกเราควรที่จะศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อเราจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วผลคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมา ตามลาดับการไม่กระทำบาปทั้งปวงนี้มีอะไรบ้างก็มีการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เด่สุรายาเมาไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืนไม่เที่ยวดูการเล่นต่างๆไม่คบคน โง่หรือคนไม่ฉลาดเป็นมิตรไม่ไม่คบกับความเกลียดคร้านอันนี้เป็นบาปและอบายยมุกที่จะดึงให้เราตกตำ่ำที่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด อันนี้เป็นบาปขั้นเริ่มต้นบาปที่สูงกว่านั้นก็ยังมีอีกศีลห้า น, นี้เป็นบาปขั้นต่ำบาปขั้นสูงต่อไปก็คือศีลแปดศีลสองรอยี่บเจ็ดนี่ก็เป็นบาปที่เราจะต้องละเว้นคือไม่กระทำแต่เบื้องต้นนี้สอนให้เราเอา ห้าข้อก่อนให้ห้าข้อบวกกับอบายามุขอีกสี่ข้อเป็นเก้าข้อคือหนึ่งให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองละเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นสละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีสี่ละเว้นจากการพูดปด ละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาและอบายมุขข้ออื่นคือเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเที่ยวการดูดูการละเล่นต่างๆครบคนไม่ฉลาดเป็นมิตรครบและมีความเกียดค้านเพราะการกระทำเหล่านี้เป็นเหตุที่จะสร้างความทุกข์ให้ก่ใจ ไม่ใช่เป็นเหตุที่จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปพอเราละการกระทำบาปในระดับแรกนี้ได้แล้วเราก็ต้องขยับขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นไปคือล ะ, ละงับบาปหรือการกระทำที่ยังทำให้เรามีความทุกข์ได้อยู่คือการร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตน การรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะระงับจะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วการไปเที่ยวสตามสถานบันเทิงต่างๆไปดูการละเล่นดูการร้องลำทำเพลงหรือการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามทางร่างกาย อันนี้ก็ถือว่าเป็นบาปที่ละเอียดเป็นบาปเป็นการกระทำที่ยังจะนำความทุกข์มาให้แก่ผู้กระทำได้ถ้าไม่ต้องการมีความทุกข์ยากการกระทำเหล่านี้ก็ต้องละเว้นการกระทำเหล่านี้ไปแม้กระทั่งการหลับนอนมากเกินไปก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับผู้กระทำได้ พระพุทธเจ้าจึงสอนให้นอนไม่ให้มากเกินไปด้วยการนอนบนที่นอนที่ไม่สบายมากเกินไปคือไม่ให้นอนบนที่นอนที่มีฟูกหนาๆที่นอนแล้วสบายเพราะจะนอนมากเกินไปการนอนมากเกินไปก็จะเป็นโทษเพราะจะทําให้เสียเวลาของการที่เราจะเอาเวลามาชําระ ใจให้สะอาดบริสุทธิ์การชำระใจนี้จำเป็นจะต้องมีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็จะไม่สามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็จาเป็นที่จะต้องอะละเว้นการกระทาต่างๆที่เป็นทุกข์ที่เป็นโทษแก่จิตใจและเป็นการเอาเวลาอันมีค่า ของการที่เราจะเอามาใช้ในการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราจะไม่มีเวลาที่จะมาซักพอกมาชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์การซักพอกใจนี้เป็นการกระทำที่สำคัญที่สุดในการกําจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปการละการกระทำบาปการสร้างกุศลต่างๆสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่จะไม่สามารถกำจัดได้อย่างถาวรการจะกำจัดความทุกข์ให้หมดไปได้อย่างถาวรนี้จำเป็นที่จะต้อง กำจัดด้วยการขัดเกลีวจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นการจะขัดใจขัดเกลาวจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็จําเป็นจะต้องมีเวลาจึงต้องละการกระทําบาปทั้งปวงแม้การกระทํากุศลก็ต้องละเมื่อถึงขั้นที่เราจะต้องมาชําระกายวาจะชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์น การทำบุญทำทานก็ต้องระ ง, งับไปก่อนเพื่อจะได้เอาเวลามาทุ่มเทให้กับการชำระใจให้สะอาดบอยสุดอย่างพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเวลาที่ท่านเข้าสู่ขั้นรักษาชำระขัดเกาวจิตใจให้สะอาดบอยสุดนี่ท่านก็หยุดการกระทำกุศลทั้งปวงไว้ก่อน เป็นการทำบุญทำทานการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆท่านก็จะหยุดไว้ก่อนเพราะไม่ฉะนั้นจะไม่มีเวลามาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ต้องหยุดการกระทำกุศลและหยุดการกระทำบาปบาปก็ไม่ทำไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ร่วมหลับนอนกับใคร ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วก็ไม่ดื่มสุรายาเมาไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืนไม่เที่ยวดูการลเล่นต่างๆไม่คบคนที่ชอบทำบาปชอบเสพอบายมุขแล้วก็ไม่มีความเกียดข้าน มีแต่ความขยันหมั่นเพียรแล้วก็มาละการไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็ไม่นอนบนที่นอนที่หนาที่ใหญ่ที่สุขที่สบายนอนบนพื้นแข็งๆปูผ้าปูเสือ่อนอนเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนก็พอ ร่างกายปกตินี้ถ้าเหนื่อยทั้งง่วงแล้วไม่ว่าจะนอนบนพื้นชนิดไหนก็จะนอนหลับอย่างง่ายได้พอตื่นขึ้นมาถ้าเป็นฟู้กห์หนาๆก็จะไม่อยากจะลุกใจก็จะไม่อยากจะลุก ท, ท, ทั้งๆที่ร่างกายได้รับการพักผ่อนพอเพียงแล้วแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆพอร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงแล้ว พอตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายสู้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมเพื่อมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ดีกว่านี่คือการปฏิบัติตามที่พทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าในเบื้องต้น ในขั้นเริ่มแรกนี้เราก็ปฏิบัติในรูปแบบของนักบุญไปก่อนคือละการกระทำบาปห้าข้อคือถือศีลห้ากันแล้วก็ทําบุญทํากุศลกันอยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทําบุญทําทานช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้รับใช้คนนั้นรับใช้คนนี้เออ ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมให้แก่ผู้อื่นทดแทนบุญคุณให้แก่ผู้อื่นเช่นบิดามารดาปุยญาตายายคูบาอาจารย์ทำได้ในขั้นนี้ขั้นของนักบุญคือถือศีลห้าแล้วก็ทำบุญทำทานเพราะยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นที่สูงขึ้นไปคือขั้นชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ถ้าอยู่ในขั้นแรกนี้ก็ทำบุญได้ทุกรูปแบบอยากจะไปทอดท่าป่าอยากจะไปทอดกะถินอยากจะไปร่วมสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อยากจะไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นก็สามารถทำได้ในในระดับนี้ในระดับของนักบุญแต่ถ้าอยากจะขึ้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไป ระดับที่ต้องมีการชำระใจให้สะอาดบอยสุดนีอันนี้เราเรียกว่าระดับของนักบวชนะต้องเป็นนักบวชถ้าเป็นนักบวชก็จะไม่ไปกังวลกับเรื่องของการทำบุญทำทานขอระ ง, งับการบุญทำบุญทำทานนี้ไว้ก่อนเพราะมันจะสวนทางกับการชำระใจให้สะอาดบอยสุด อาการจะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้านนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องถือศีลมากขึ้นกว่าศีลห้าคือต้องถือศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยิบเจ็ดแล้วก็ต้องไปปริกวิเวกไปหาที่สงบอยู่ต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากกิจกรรมต่างๆห่างไกลจากบุคคลต่างๆห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆ เพราะถ้าอยู่ใกล้แล้วจะไม่สามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้นั่นเองการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้จาเป็นที่จะต้องปรีกวิเวกต้องอยู่ห่างไกลาจากแสงสีเสียงห่างไกลาจากรูปเสียงกลิ่นลนต่างๆเพราะถ้าอยู่ใกล้แล้วจะทำให้ไม่สามารถควบคุมใจให้สงบได้ การชำระใจในเบื้องต้นก็ต้องทำใจให้สงบก่อนสงบแล้วถึงสามารถสอนใจให้เห็นถึงโทษของสิ่งต่างๆโทษของรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นทุกข์ว่าไม่ควรที่จะไปเสพต้องปล่อยวางต้องละอันนี้ถ้าอยู่ใกล้แล้วมันอดไม่ได้อดที่จะเสพอดที่จะสัมผัสไม่ได้ ถ้าเสพสัมผัสกับรูปเสียงกินรถก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบได้ไม่สามารถทำใจให้สะอาดได้เนี่ยงั้นถ้าเป็นนัก บ, บวชแล้วเป็นผู้ที่เข้าสู่การชำระใจให้สะอาดเนี่ยข้อปฏิบัติข้อที่สามก็จำเป็นที่จะต้องละการละเว้นการกระทำกุศลทั้งปวงไปก่อนทำได้บ้างเพราะว่า ยังมีโอกาสเพราะเวลาที่อยู่ร่วมกันในสถานที่ปฏิบัติก็ต้องมีภารกิจหน้าที่ต่างๆที่จะต้องช่วยเหลือกัน mm hmm. เช่นทำความสะอาดศาลากุฏิที่พักลานวัดทางเดินอะไรต่างๆการทำความสะอาดเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทำกุศลเหมือนกันแต่เป็นการกระทำกุศลเฉพาะสำหรับนักบวช จะไม่ไปทำกุศลแบบของนักบุญเช่นไปทอดผ้าป่าไปทอดกระถิ่นไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิไปทำบุญชนิดต่างๆกันที่นักบุญเขาทำกันพวกนักบวชนี้ต้องระ ง, งับไว้ก่อนเพราะถ้าไปทำงานเหล่านี้แล้วจะทำให้จิตใจวุ่นวายไม่สงบ เพราะจะทำให้ยากต่อการทำใจให้สงบเวลาไปทำงานบุญเหล่านี้จิตใจก็ต้องใช้ความคิดกันจะต้องพบปะกันจะต้องมีการพูดกันพูดจามีการกระทาอะไรกันและก็อาจจะมีการทะเลาะบอกแวงกันจะทำให้จิตใจขุ่นมัวทำให้จิตใจฟุ้งซ่านขึ้นมาทำให้ยากต่อการที่จะทำใจให้สงบได้นั้นถ้า ถ้าต้องการชำระใจให้สะอาดบอยสุดนี้ผู้ปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องวางเรื่องของการทาบุญทากุศลไว้ชั่วคราวก่อนทาได้ในส่วนที่เกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยคือที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องสะอาดก็ต้องมีการช่วยเหลือดูแลกันหรือถ้าต้องมีการกระทาอาหาร เพื่ อ, อยางชีพก็ต้องมีการช่วยกันไปช่วยกันทากับข้าวกับปลาอาหารในโรงครัวกันแต่งานเหล่านี้จะเป็นงานเฉพาะกิจทำเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ม, มีเวลาไม่ได้ทำทั้งวันทั้งคืนทำเพื่อที่จะได้มีอาหารไว้รับประทานเมื่อรับประทานอาหารเสร็จเก็บเช็ดถูเสร็จล้างจานล้างชามเสร็จก็เลิกกัน แล้วก็แยกกันไปสู่ที่ปฏิบัติของตนที่สงบสงัดที่ห่างไกลกันไม่อยู่ใกล้กันไม่คลุกคลีกันไม่ไม่ไม่จับกลุ่มสนทนาคุยกันนี่คือการปฏิบัติของระดับของนักบวช น, นักบวชนี้พุ่งเป้าไปที่การชำระใจให้สะอาดกับการ ละการกระทําบาปทั้งปวงส่วนนักบุญนี้ก็พุ่งเป้าไปที่การกระทํากุศลทั้งปวงให้ถึงพร้อมละการกระทําบาปทั้งปวงต่างการตรงที่การทํากุศลหรือการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ในเบื้องต้นก็เป็นนักบุญกันก่อนเพราะว่าการเป็นนักบุญนี่มันยากกว่า ในเบื้องต้นก็รักษาศี่ห้ากันไปก่อนแล้วก็ไปทำบุญกันมีงานบุญที่ไหนพอไปได้ก็ไปกันมีงานบุญสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์มีการงานบุญครบรอบวันตายวันเกิดของครูบาอาจารย์เพื่อจะได้ไปกราบไหว้พระปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเพื่อที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมฟังคาสอนต่างๆ อันนี้ก็เป็นระดับของนักบุญแต่พอเข้าสู่ระดับที่สองคือระดับของนักบวชคือต้องการชำระใจให้สะอาดบริสุทการทําบุญเหล่านี้ก็ต้องระ ง, งับไว้ก่อนทำบุญเฉพาะที่จำเป็นจะต้องทำเท่านั้นก็คือการดูแลสถานที่อยู่อาศัยให้สะอาดให้เรียบร้อย ช่วยเหลืองานต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางโอกาสใช้งานทำกับข้าวกับปลาถ้าเป็นนักบวชเป็นพระก็งานบิณฑบาตก็ไปช่วยกันบินทบาตไปหาอาหารมาเลี้ยงกันมาดูแลกันอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นกุศลก็ได้แต่งานหลักของนักบวชก็คือการชำระใจให้สะอาดบอิสุทการจะชำระ ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้นี้ก็จาเป็นที่จะต้องถือศีลของนักบวชคือระงับกิจกรรมต่างๆของนักบุญนั่นเองนักบุญนี้อย่างสามารถที่จะรับประทานอาหารในยามค่ำได้สามารถที่จะไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงดูละครสามารถร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้ สามารถนอนบนฟูกหนาๆนาได้สามารถแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมความสวยความงามด้วยเครื่องสำอางต่างๆได้แต่พอมาเป็นนักบวชแล้วจำเป็นจะต้องระ ง, งับกิจกรรมเหล่านี้ไปเพราะมันจะเอาเวลาของการปฏิบัติธรรมไปนั่นเองถ้าไม่ถ้าไม่ระ ง, งับการกิจกรรมเหล่านี้ ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเพื่อชําระใจคือกําจัดกิเลสตัณหาที่เป็นเครื่องเศร้าหมองให้หมดไปจากใจนั่นเองผู้ที่เป็นผู้ที่ต้องการชําระใจจึงต้องสืส่ศีลที่สูงขึ้นที่เรียกว่าอธิศีลมีศีลต่ํากับศีลสูงศีลต่ําก็ศีลห้าศีลสูงก็ศีลแปดศีลสิบ ศีลสอง้อยสิบเจ็ดศีลามร้อยกว่าข้อเนี่ยอันนี้เป็นศีลของผู้ที่ต้องการจะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะจะได้มีเวลานั่นเองศีลเหล่านี้ห้ามกิจกรรมต่างๆเพื่อจะได้ไม่ถูกเอาเวลาที่มีคุณค่าไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่ควรที่ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์ เอามาใช้กับการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์โดยการเดินจงกรมนั่งสมาธิการจะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้นี้ต้องทำใจให้สงบและสอนใจให้ฉลาดขั้นต้นนี้ต้องทำใจให้สงบก่อนการที่จะทำใจให้สงบได้ก็ต้องมีสติเป็นผู้กํากับใจเป็นผู้ควบคุมใจ เป็นผู้หยุดความคิดผู้ที่จะทำให้ใจสงบได้ก็คือสติถ้าไม่มีสติแล้วใจจะไม่มีวันสงบได้เช่นถ้าตอนนี้เรายังไม่สามารถสั่งใจให้หยุดคิดได้แล้วก็แสดงว่าเรายังไม่มีสติพอถ้าเรามีสติพอเพียงแต่สั่งให้มันหยุดคิดมันก็หยุดคิดแล้วไม่ต้องพุทโธไม่ต้องดูลมหายใจ เพียงแต่กำกับกำหนดจิตว่าให้หยุดคิดมันก็หยุดคิดถ้ากำหนดได้ให้หยุดคิดได้ให้รวมได้ให้เข้าสู่สมาธิได้อันนี้ก็เรียกว่ามีสติแต่ถ้าไม่มีสติก็ต้องสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็ใช้กรรมฐานสี่สิบนี่กรรมฐานคืออารมณ์สี่สิบชนิดด้วยกันที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือสร้างสติ เป็นเครื่องมือที่จะหยุดความคิดต่างๆเช่นเราจะใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธกันเวลาบริกรรมพุทโธพุทโธนี้ใจก็จะไม่สามารถที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้การคิดอยู่แต่คําว่าพุทโธอย่างเดียวนี้จะทําให้ความคิดต่างๆหยุดได้และจะทําให้ความคิดคือพุทโธนี้หยุดตามไปได้ แต่ถ้าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วคิดไปทั้งวันทั้งคืนมันก็จะไม่มีวันหยุดได้แต่ถ้าคิดอยู่กับพุทธโธพุทธโธเป็นคาเดียวนี้เวลานั่งเฉยๆนั่งหลับตานี้เดี๋ยวจิตก็จะหยุดคิดแล้วพุทธโธก็จะหยุดไปตามไปด้วยเวลาจิตสงบเต็มที่เวลาจิตหยุดคิดพุทธโธก็จะหยุดตามไปด้วยนี่คือกรรมฐานชนิดหนึ่ง มีสี่สิบชนิดด้วยกันที่เราจะใช้ที่เราสามารถเลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องใช้สี่สิบชนิดด้วยกันนะในการทำใจให้สงบนี้ใช้กรรมฐานอย่างเดียวถ้าใช้พุทธโธก็เรียกว่าพุทธานุสติถ้าใช้ดูลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปณะสติถ้าใช้ร่างกายเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกาย ก็เรียกว่ากายกตาสติให้ดูเฉยๆไม่ให้คิดให้ดูให้เฝ้าดูให้เฝ้าดูว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนให้อยู่กับการกระทำให้เฝ้าดูเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ดูร่างกายอย่างเดียวถ้าใช้ร่างกายเป็น เครื่องมือในการสร้างสติถ้าถ้ามีการเคลื่อนไหวก็ดูร่างกายถ้าร่างกายนั่งเฉยๆนั่งหลับตาก็ดูลมหายใจเข้าออกแทนถ้าเราใช้กายกตาสติเวลาเรานั่งสมาธิเราก็ใช้อนาปนานสติดูลมหายใจเข้าออกดูที่ปลายจมูกดูที่จุดที่ลมเข้าออกลมสัมผัสกับจมูก ดูตรงนั้นจะมีการรู้สึกว่ามีลมเข้าตรงนั้นมีลมออกตรงนั้นเราก็เฝ้าดูอยู่ตรงนั้นจุดเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาไม่ต้องเปลี่ยนฐานเปลี่ยนที่ให้อยู่ที่ปลายจมูกเพียงอย่างเดียวหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาว ลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาอยู่เป็นธรรมชาติของเขาให้เราจิตผู้รู้ให้ดูเฉยเฉยให้รู้เฉยเฉยถึงแม้ลมจะรู้สึกว่าหายไปก็ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจก็ให้รู้ว่าลมหายไปให้รู้อยู่กับรู้ไม่ต้องกลัวว่าจะตาย ไม่ตายเพราะลมยังมีอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะละเอียดและอาจจะาหายใจช้ามากจนทำให้คิดว่าไม่มีลมหายใจก็ได้ <c oughs> ถ้าไม่ตกใจกลัวถ้าลมละเอียดจนถึงไม่สามารถจับลมได้ก็สแสดงว่ากําลังจะเข้าสู่ความสงบถึงเวลานั้นก็ให้รู้เฉยๆไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเอง อย่าไปวิาพากษ์วิจาร์อย่าไปคาดคะเนยอย่าไปปรุงแต่งขึ้นมาว่าเมื่อไหร่จะรวมเมื่อไหร่จะรวมถ้าปรุงแต่งเมื่อไหร่แล้วจิตจะไม่รวมะให้ดูไปเรื่อยๆให้รู้ไปเฉยๆนี่ในกรณีที่ดูลมถ้าพุทธโธก็ให้พุทธโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคาดคะเนว่าจะรวมหรือ ย, อยังจะสงบหรือยังจะตกลุมตกบ่อหรือยังถ้าไปคาดไปคะเน่นี้มันจะไม่รวม อ่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปพุทโธพุทโธไปเหมือนคนที่ปิดตาแล้วเดินไปข้างหน้าไม่ต้องไปกังวลว่าจะไปชนอะไรหรือไม่จะไปตกหลุมตกบ่อหรือไม่ให้เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอมันเธอถึงถึงหลุมถุงบ่อมันก็จะตกลงไปเองแต่หลุมบ่อของสมาธินี่เป็นหลุมบ่อที่สบายไม่เป็นโทษไม่เป็นทุกข์ เวลาจิตวูบลงไปนี่เหมือนจะตกหลุมตกบอ่อก็ปล่อยมันวูบลงไปให้มีสติรู้อยู่เฉยๆแล้วพอมันถึงฐานแล้วมันก็จะนิ่งพอมันตกมันลงไปถึงข้างตกไปถึงก้นบอ่อแล้วมันก็จะนิ่งจะสงบมันก้นบ่อก็ไม่แข็งจะไม่มีการกระแทกแบบตกเป็นในบอ่อจริงๆดังนะไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปกลัวเวลาจิต จะรวมลงจิตจะวูบลงไปเหมือนตกหลุมตกบ่อตกเหวก็ปล่อยมันลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะนิ่งสงบแล้วก็จะสบายจะเกิดความรู้สึกที่ไม่เคยพบมาก่อนว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขครั้งปวงสุขเอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีเนี่ยเราจะได้สัมผัสจากการที่เราจเจริญสติการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นเราต้องเจริญสติตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยถ้าเราตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเราก็ใช้สติควบคุมความคิดเลยถ้าใช้พุทโธก็พุทโธไปเรื่อยๆไม่ว่าจะลุกขึ้นมาทำอะไรก็ตามก็พุทโธไปอาบน้ำก็พุทโธล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธแป่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไป ถ้าใช้การเฝ้าดูร่างกายก็เฝ้าดูร่างกายไปว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กําลังอาบน้ํากําลังล้างหน้ากําลังแปรงฟันกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวก็เฝ้าดูร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นดึงไว้อยู่กับการทํางานของร่างกายอแล้วพอว่างก็นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออก ้าใช้พุโทโธก็ใช้พุโทโธเวลานั่งก็หลับตาก็พุโทโธพุธโทโธไปให้ทำอย่างนี้ไปทั้งวันทั้งคืนงานปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้ต้องทำอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่จะไม่มีการกระทาถ้าไม่ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิก็ต้องมีสติอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่กำลังรับประทานอาหารกาลังทำกับข้าวกาลังบินทบาท กำลังทําอะไรก็ให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ inee. ให้จิตอยู่กับปัจจุบันเสมออย่าให้ไปอดีตอย่าให้ไปอนาคตให้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้อยู่ที่ร่างกายร่างกายอยู่ตรงนี้อยู่เดี๋ยวนี้มีร่างกายเพียง อ, อย่างเดียวสําหรับใจเรานี้ให้มีร่างกายเพียง อ, อย่างเดียวให้เฝ้าดูร่างกายเพียงอย่างเดียวหรือให้ให้พุโทโธเพียงอย่างเดียวแล้วแต่เราจะ ถนัดจะใช้จะใช้พุทโธก็ได้จะใช้ร่างกายก็ได้บางท่านถามว่าจะสลับกันได้หรือเปล่าก็น่าจะได้ถ้าพุทโธเหนื่อยก็กลับมาดูร่างกายถ้าเบื่อดูร่างกายก็กลับมาพุทโธหรือดูร่างกายแล้วว่ามันแวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พุทโธดึงกลับมาใช้ทั้งพุทโธใช้ทั้งดูร่างกายด้วยก็ได้ทั้งสองอย่างช่วยกัน ทำไงก็ได้ขอให้เราหยุดความคิดต่างๆให้ได้เพราะความคิดนี้มันเป็นศัตรูต่อความสงบนั่นเองถ้าตามใดมีความคิดอยู่ความสงบมันจะโผล่ขึ้นมาไม่ได้สมาธิจะโผล่ขึ้นมาไม่ได้คณิกะสมาธิหรืออัปปนาสมาธินี้จะโผล่ขึ้นมาไม่ได้ต้องมีมีสติหยุดความคิดเท่านั้นคณิกะสมาธิหรืออัปปนาสมาธิถึงจะโผล่ขึ้นมาได้ คณิกะกับอัปปนาก็เป็นสมาธิเหมือนกันคือจิตรวมเหมือนกันจิตสงบเหมือนกันเพียงแต่ต่างกันตรงที่ว่านานหรือไม่นานถ้ารวมแป๊บเดียวเดี๋ยวเดียวก็เรียกว่าคณิกะสมาธิถ้ารวมได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิแต่เป็นการรวมของจิตเป็นการตั้งอยู่ในเอกคัตาอารมณ์มีอารมณ์เดียวคือสัตว์วารุ ขณะนั้นอารมณ์ต่างๆความคิดปรุงแต่งต่างๆหายไปหมดจิตจะไม่มีอารมณ์กับอะไรไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงกับอะไรจิตจะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขอย่างยิ่งอันนี้คือขั้นแรกของการชำระกิเลสเอาเวลาจิตสงบกิเลสตัณหาก็ต้องสงบระ ง, งับตามไปด้วย กิเลสตัณหานี้จะทํางานได้ก็ต่อเมื่อจิตมีการคิดปรุงแต่งพอมีการคิดปรุงแต่งขึ้นมาปับ๊บความโลภความอยากก็จะตามมาทันทีคิดถึงขนมก็อยากจะกินทันทีคิดถึงเครื่องเดิมก็อยากจะเดิมทันทีคิดถึงละครคิดถึงภาพยนตร์ก็อยากจะดูทันทีคิดถึงเพลงต่างๆก็อยากจะฟังทันทีน แต่ถ้าหยุดความคิดแล้วความอยากเหล่านี้ก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้นัานการทำสมาธินี้เป็นการขัดเกากิเลสตัณหาในระดับแรกเป็นการขัดเกาแบบชั่วคราวทำให้กิเลสตัณหาหยุดทำงานไปชั่วคราวและอ่อนกำลังลงไปชั่วคราวแต่พอจิตถอนออกมาจากสมาธิ ความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นมากิเลสตัณหาก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีพอกิเลสตัณหาโผล่ขึ้นมามันก็จะมาทำลายความสงบความสุขของใจทันทีถ้าอยากที่จะให้จิตสงบต่อไปอยากให้จิตเป็นอุเบกขาจิตมีความสุขต่อไปก็ต้องใช้สติหรือใช้ปัญญาถ้าใช้สติก็เป็นการระ ง, งับชั่วข่าวก็คือพุโทโธพุโทโธไป เรื่มเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปหรือกลับไปนั่งสมาธิต่ อ, อก็จะสามารถที่จะควบควบคุมกิเลสตัณหาได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าต้องการกำจัดมันนี้ก็ต้องใช้การปฏิบัติขั้นที่สองที่เรียกว่าวิปัสสนาหรือการเจริญปัญญาคือเราต้องเอาปัญญาความจริงมาสอนใจให้รู้ว่า การที่เราไปทำตามความโลภทำตามความอยากนี้ไม่ได้นำไปสู่ความสุขแต่จะนำไปสู่ความทุกข์ความสุขที่ได้เป็นความสุขเดียวเดียวเป็นความสุขชั่วคราวพอความสุขที่ได้มาหมดไปความทุกข์ก็จะตามมาทันทีเช่นเราได้อะไรมานี้เราจะดีใจกันแต่พอเราเสียสิ่งที่เราได้มาไปความดีใจก็หายไป ความทุกข์ใจก็เข้ามาแทนที่ทันทีและไม่ว่าเราจะได้อะไรมาไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องเสียมันไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นสมบัติชั่วคราวไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงไม่ได้เป็นของเราอย่างถาวรเป็นของเราเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นพอเขาไม่ได้เป็นของเราความสุขที่เราได้จากเขาก็จะหายไปแล้วมันก็จะกลายเป็นความทุก ทันทีเหระฉนั้นทุกครั้งที่เราอยากได้อะไรอยากดืมอยากดูอะไรขอให้เราใช้ปัญญาสอนว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความทุกข์ถาวอนเพราะความทุกข์มันจะตามมาแล้วมันจะอยู่นานกว่าความสุขที่เราเสียไปที่เราได้มาแล้วเสียไปความสุขที่เราได้มันเป็นเหมือนควันไฟได้มาปั๊บเดียวเดี๋ยวก็จางหายไป แล้วสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจหมูกนิ้งกายไม่ว่าจะเป็นความสุขที่เราได้จากการมีร่างกายไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องเสียมันไปหมดเพราะของต่างๆที่เราได้มานะั้นมันเป็นของชั่วคราวนั่นเองมันเป็นอริจังไม่เที่ยงแท้แน่นอน มันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเราเป็นเหมือนของยืมมาเป็นของยืมเข้ามาพอยืมมาแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งเจ้าของก็เข้ามาเอาคืนไปพอเจ้าของเอาคืนไปเราก็จะไม่มีอะไรให้ความสุขกับเรามีแต่จะให้ความทุกข์กับเราความเสียใจถ้าเราสอนปัญญาสอนใจด้วยปัญญาอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ อย่าไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวให้กลับมาหาความสุขที่แท้จริงดีกว่าคือกลับมาอยู่ที่ความสงบดีกว่าอยู่ที่การระงับความอยากความโลภดีกว่าเพราะถ้าเราระงับความโลภความอยากได้ความโลภความอยากมันก็จะหมดกําลังไปเองมันก็จะกลับไม่กลับมารบกวนใจเราอีกต่อไปถ้าเราฝืนความโลภความอยากได้ ต่อไปความโลภความอยากมันจะไม่มีกำลังที่จะมาหลอกมาล่อมาดึงใจให้เราไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆได้ต่อไปใจของเราก็จะตั้งอยู่ในความสงบไปตลอดมีความสุขไปตลอดใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้เราเรียกว่านิพพานใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้เป็นความสุขอย่างยิ่งนิบานังปรมังสุขขัง ใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นความสุขอย่างยิ่งนเกิดจากการชําระใจด้วยการเป็นนักเป็นนักบนญถ้าเป็นนักบุญนี้จะไม่มีกําลังพอจะไม่มีเวลาพอที่จะมาชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ดังนั้นผู้ที่เป็นนักบุญจึงต้องขยับขึ้นมาเป็นนักบวดในตามลำดับต่อไปครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เรากล่าบไหว้บูชานี้ ตอนต้นท่านก็เริ่มด้วยการเป็นนักบุญกันก่อนรักษาศีลห้าทำบุญกันไปก่อนแล้วต่อมาท่านก็มาหัดรักษาศีลแปดมาหัดชำระใจด้วยการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสมถะภ า, าวนาวิปัสสนาภาวนาพ อ, อทดลองดูแล้วเห็นว่าได้ผลดีมีความสุขมากกว่าการเป็นนักบุญก็ตัดสินใจเป็นนักบวชอย่างถาวร พอได้เป็นนักบวชอย่างถาวรก็จะมีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่พอได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่กี่ปีก็สามารถที่จะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้บรรลุถึงพระนิพพานได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตาสาวกขึ้นมาได้เกิดจากการที่มีความศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการศึกษา อย่างต่อเนื่องจนเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็นำไปสู่การปฏิบัติต่อต้นก็ปฏิบัติแบบนักบุญไปก่อนพอปฏิบัติเป็นนักบุญได้แล้วก็ลองหัดปฏิบัติเป็นนักบวชวันพระก็มาอยู่วัดปฏิสีตแปดมาภาวนาพอทำได้ก็เกิดศรัทธาอยากจะทาเพิ่มมากขึ้นอาจ ก็อาจจะเพิ่มจากหนึ่งวันมาเป็นสองวันสามวันหรือบางครั้งก็อยู่ทั้งอาทิตย์เลยอยู่ทั้งเดือนเลยถ้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็มาปฏิบัติกันพอปฏิบัติกันไปเรื่อยๆก็จะเห็นผลมากขึ้นมากขึ้นก็อยากจะปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบก็จะตัดสินใจเป็นนั ก, นกบวชเต็มรูปแบบพอได้เป็นนักบวชเต็มรูปแบบก็จะได้ปฏิบัติเต็มที่ ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยราได้ปฏิบัติจนตื่นจนหลับแล้วเดี๋ยวไม่นานก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ชำระใ จ, จให้สะอาดบริสุทธิ์เนี่ได้เป็นพระสาวกขึ้นมาเนี่ยเวลาที่ท่านตายไปอัฐิของท่านก็กลายเป็นพระธาตุเนเป็นการยืนยันว่า จ, จิตใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์แล้วหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปจิตของท่านอยู่ที่พระนิพพานจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตเรียกว่านิพพานเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเป็นสวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อมไม่เหมือนกับสวรรค์ชั้นอื่นๆเช่นสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นเทพนี้ยังต้องเสื่อมขึ้นไปแล้วก็ต้องเสื่อมลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เกิดมากลับมาสร้างบุญ สร้างบุญละบาปใหม่มาชำระใจใหม่ถ้าชำระใจยังไม่สะอาดยังไม่ถึงขั้นที่จะหลุดพ้นได้ก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าชำระใจให้สะอาดจนถึงขั้นที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ตามเราอาจจะเคยพ บ, พบกับพระพุทธเจ้ามาหลายพระองค์แล้วก็ได้เพียงแต่เราจำไม่ได้เท่านั้นเองระยะเวลาที่เราจะพบกับพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งนี่มันอาจจะเป็นหลายล้านชาติด้วยกันเราก็จะลืมแล้วในอดีตชาติที่เราเคยพบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระพุทธศาสนาว่าเป็นเมื่อเมื่อไหร่แต่ไม่ต้องสงสยัยไม่ต้องกังวล จะพบกับพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็จะพ บ, พบกับพระธรรมคำสอนที่เหมือนกันทั้งนั้นก็คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้ยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ขอให้เราจาสามข้อนี้ไว้เท่านั้นนี่คือหัวใจของคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ส่วนรายละเอียดเราก็ต้องไปศึกษาต่อไปว่าบาปมีอะไรบ้างกุศลมีอะไรบ้าง การชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เราจะต้องศึกษาค้นคว้าต่อไปจากการฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบท่า น, นก็จะสอนให้เรารู้รายละเอียดต่างๆแล้วพอเรารู้เรานำไปปฏิบัติเราก็จะได้รับผลเหมือนกับที่ท่านได้รับผลมาเช่นเดียวกันเพราะเหตุกับผลนี้เป็นเหมือนกัน เหตุก็คือการปฏิบัติตามคำสอนผลก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดเหตุและผลนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเหตุของเหตุและผลนี้เป็นของคู่กันเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าเราปลูกกล้วยเราก็ต้องได้ต้นกล้วยได้ลูกกล้วยได้ผลกล้วยถ้าเราปลูกส้มเราก็ต้องได้ต้นส้มได้ผลส้มเป็นผลตอบแทนชั้นใดชั้นนั้น งั้นขอให้พวกเราอย่าไปลังเลสงสัยว่าคําสอนนี้จะพาให้เราได้หลุดพ้นหรือไม่อย่าไปคิดว่าต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาสอนก่อนต้องพบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงเถึงจะได้คําสอนที่ถูกต้องคําสอนที่เราได้นี้เป็นคําสอนที่ถูกต้องแล้วพระพุทธเจ้ารับประกันไว้แล้วก่อนที่จะจากเราไปว่าคําสอนที่เราได้สอนพวกเธอ น, นี้ เป็นคำสอนที่ถูกต้องแล้วจะเป็นตัวแทนเป็นอาจารย์ของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากเราเราจะอยู่กับพวกเธอในรูปแบบของคำสอนของเราถ้าเธอยึดคำสอนของเราปฏิบัติตามคำสอนของเราก็เหมือนกับเธอได้อยู่ได้เรียนศึกได้ศึกษากับเราโดยตรงเลยดัยงนั้นขอให้พวกเรามีความมั่นใจได้ว่าคำสอนที่ทรงสอนให้ละา ก, การกระทาบาปทั้งปวง กับทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้เป็นคําสองที่เป็นของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนและสามารถยังประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างแน่นอนขอให้เรามีศรัทธาและมีความเพียรที่จะปฏิบัติตามเท่านั้นก็ คิดว่าการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตชินางเปตานังอุปกาปติอิติตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโต สัพเพปเรตุจังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสภีติโยวิวาจันโตสัพพารโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ อาพิวาธนสีลิตสะนิจังหุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมวัฏานติอายุวันโอสุขังภาลงางลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถามได้ไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมกันพอเลิกแล้วก็ขออนุญาตยุติถามถ้าจะถามขอให้ถามในช่วงที่เรากำลังคุยกันในตอนนี้พอเลิกประชุมแล้วก็ขอขอของดถามตอบถ้ายังไม่มีคาถามก็จะให้ทางบ้านถามก็ามาก่อนก่อนอน่นอยากจะทราบว่ามีเข้ามาเท่าไหร่แล้ววันนี้ Facebook สูงสุด350สครับส่วน YouTube 9าคนครับพระอาจาคำถามจากทาง Facebook นะครับจากคุณอีนะครับอยากกราบเรียนสอบถามว่าในระหว่างเข้าพรรษาผมปรารถนาอุปสมบทแบบยังไม่มีกำหนดลาศิกขาสามารถกระทำได้ไหมครับหากสามารถกระทำได้วัดไหนได้บ้าง ในช่วงเข้าพรรษานี้ที่พักน้งจะเต็มเพราะคนจ ะ, ะตั้งใจที่จะบวชในช่วงเข้าพรรษากันดังนั้นส่วนใหญ่วัดจะจะรับได้เต็มที่คือรับหมดแล้วที่พักอาศัยนี้จะเต็มหมดเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องลองไปสอบถามแต่ละวัดดูว่ามีที่ว่างไหมแล้วเขาพร้อมที่จะบวชให้หรือไม่ เพราบางวัดเขาก็จะไม่อยากจะทําพธิธีในช่วงเข้าพรรษาเพราะช่วงเข้าพรรษาเขาอยากจะทุ่มเทให้กับการศึกษาด้วยการเรียนการสอนการปฏิบัติก็ไม่อยากจะให้อา่าต้องมาเสียเวลากับการทําพธิธีกรรมต่างๆแ ต, ตก็บวชได้ไม่มีข้อห้ามบวชในพรรานอกพรรษานี้บวชได้อยู่ที่วันที่เรา จะหาได้หรือเปล่าเท่านั้นว่าเขาจะรับเราหรือไม่แล้วเป็นวัดที่เราอยากจะไปบวชหรือไม่เพราะแต่ละวัดก็มีกิจกรรมที่ต่างกันไปไม่เหมือนกันเขาอาจจะทํากิจกรรมที่เราไม่อยากจะทําก็ได้ถ้าเราไปบวชอยู่วัดที่ไม่ไม่ถูกกับที่เราต้องการก็อาจจะเป็นปัญหาได้ดังที่เคยมีคนบวชแล้วมาถามว่าบวชแล้ววัดมีแต่สวดไม่มีการปฏิบัติ อยากปฏิบัติจะย้ายวัดได้หรือเปล่าย้ายก็ย้ายได้แต่มันยากงั้นก่อนจะบวชให้ไปเลือกดูวัดให้ดีก่อนจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องย้ายทีหลังเดี๋ยวก็หยุดแล้วละ่ะเทวดาพร้นมลามนให้หน่อยลองนั่งสักพักก่อนคำถามจากคุณปานีนะครับปัญญาคือตัวรู้ใช่ไหมคะปัญญาคือความรู้ผิดถูกดีชั่ว ไม่ใช่ตัวรู้ตัวรู้นี่รู้เฉยๆปัญญานี้เป็นตัวที่แยกแยะความผิดความถูกความดีความเชื่อคำถามจากทาง y o u t u ู e นะครับจากคุณออมยาดานะครับการบรรุจากขั้นพระโสดาบันถึงพระอรหันต์ไปตามลำดับจะต้องบรรุภายในสมัยของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์หนึ่งใหม่เจ้าคะ อ๋อไม่จําเป็นหรอกคือการพอได้ขั้นที่หนึ่งแล้วบางคนก็สามารถบรรลุ ข, ขั้นที่สองที่สา ม, ท, สามที่สี่ได้ในเวลาอันใกล้ชิดบางทีในเวลาวันเดียวกันนี้ก็บรรลุได้ในพระไตรปิฎกมีการเล่าให้ฟังว่ามีพระรูปหนึ่งบรรลุขณะที่ปร่งผมพอใช้ใช้มีดกรงข้างแรกก็บรรลุเป็นพระสุวรรันพอมีดกลงศีรษะขั้งที่สองก็เป็นพระสะกี ด, ดาคามี พอขั้นที่สามก็เป็นพระอนาคามีพอขั้นที่สี่ก็เป็นพระอารหันต์เลยแสดงว่าปัญญาของปัญญาของท่านนี่แหลมคมมากสามารถที่จะเห็นกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจที่โผก่ขึ้นมาตามล้ำดับพอโผลขึ้นมาก็ตัดได้เลยพอโผล่ขึ้นมาก็ตัดได้เล ย, ดดเลยคำถามจะคุณกัมนิกานะครับในการนั่งภาวนาโยมกำหนดจิตให้ดิ่งสงบลง โดยไม่ต้องภาวนาพุโทโธได้ใหม่เจ้าคะ่ะโยมรู้สึกเหมือนเวลาที่จิตเริ่มจะรวมโยมต้องกลับมาภาวนาพุโทโธรู้สึกเหมือนจิตดิ่งไม่ได้เพราะต้องกังวลการภาวนาพุโทโธเจ้าคะ่ะ ถ, ถ้าไม่ใช้พุโทโธแล้วดิ่งได้ก็ดีก็ให้ใช้สติให้รู้เฉยๆอย่าให้ใจไปคิดควบคุมความคิดไว้ให้ได้ให้หยุดความคิดได้จิตก็จะดิ่งได้คำถามจากผู้ฝากถามบนเขานะครับ ผลของการสวดมนต์มีอะไรบ้างคะก็เหมือนกับการฝึกสติแบบหนึง่งเหมือนกับการเจริญพุโทโธพุโทโธถ้าสวดมนต์อย่างต่อเ น, นื่องไม่ไปคิดอะไรเลยจิตก็จะสงบได้ในระดับหนึง่งแต่ยังไม่ถึงกับรวมเแต่อยากจะรวมก็ต้องหยุดสวดเหมือนกับคนที่เมื่อกี้พูดว่าพุโทโธพุโทโธแล้วทาให้มันไม่รวมก็หยุดพุดโทโธแล้วให้รู้เฉยๆคอยคุมความคิดไว้คอยเฝ้าดูความคิดอย่าให้มันคิด หยุดความคิดได้เดี๋ยวมันก็ดิ่งได้ให้ดูลมแทนก็ได้ถ้าพุโทโธมันมันทำให้ไม่รวมก็ดูลมไปถ้าสวดมนต์ไปแล้วมันไม่รวมก็ให้เปลี่ยนจากการสวดมนต์มาดูลมต่อแต่ในเบื้องต้นถ้าดูลมดูไม่ได้เพราะมันคิดมากก็สวดมนต์ไปก่อนจากคุณเจษนีนะครับที่ฉันทําบุญแทนลูกชายอายุสามขวบ และพาเขาไปด้วยเขาจะได้รับบุญด้วยไหมคะอ๋อไม่ได้หรอกเพราะการกระทำบุญนี่ต้องออกจากเจตนาของผู้กระทาเองและต้องมีการเสียสละสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปที่เป็นของของตนเองถ้าเด็กเขาสามขวบแต่เป็นเด็กอัจฉริยะอาจจะบอกแม่ว่าขอบริจาคไตให้เพื่อนนี่เอ้เด็กก็จะได้ทำบุญเพราะมาออกมาจากเจตนาของเขา แล้วก็เป็นของของเขาแต่ถ้าเป็นของแม่และเป็นเจตนาของแม่ก็เป็นการฝึกลูกเท่านั้นเองเป็นการให้ลูกได้สัมผัสให้เห็นรับรู้การทำบุญว่าทำอย่างไรอย่างพ่อแม่พาเด็กสองคนนี้มาทำบุญเป็นประจำเนี่ยเขายังไม่ได้ทำบุญเต็มที่เขาได้ทาบางส่วนแต่ส่วนใหญ่นี้ยังเป็นของพ่อของแม่อยู่เพราะของก็เป็นของพ่อของแม่เจตนารวมก็เป็นของพ่อของแม่ แต่เป็นการดึงให้เขาเข้าสู่กระแสะของการทาบุญต่อไปเวลาเขาโตขึ้นเขาก็จะสามารถทำเองได้จากท่านเดิมนะครับการที่ดิฉันกำลังโมโหกับคนคนหนึ่งกำลังจะต่อว่าเขาแต่พอนึกขึ้นได้ความคิดก็หยุดลงทันทีและไม่ได้พูดออกไปเรียกได้ว่าเรากำลังมีสติใช่ไหมค ะ, ะมีสติแล้วก็มีปัญญาด้วย เพราะปัญญาจะบอกว่าไปทะเลาะกันไม่ดีปัญญาจะบอกว่าดีหรือไม่ดีสติเพียงแต่หยุดสติเป็นเบรกปัญญาเป็นเหมือนพวงมาลัยปัญญาก็า จ, จะบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปส่วนสติก็เบรกไว้จากคุณพาสิทธ์นะครับเราทำบุญหรือนั่งสมาธิแล้วได้บุญสามารถโอนบุญไปให้กับบุคคลเช่น ลูกสามีภรรยาที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ใหมครับ อ, อ๋ไม่ได้หรอต้องขายของขายของมันต้องทำเองเหมือนกินข้าวออนความอิ่มให้คนที่ยังไม่ได้กินไม่ได้นะจากคุณพัชรีนะครับเมื่อเราเมตตาต่อสรรพสัตว์จะช่วยเหลือเขาแต่เขากลับทําร้ายเราเราควร อ, อโหสิกรรมให้เขาใช่ไหมเจ้าคะได้ไม่ว่าเขาจะเราจะ เขาเจะเป็นยังไงเขาทำอะไรกับเรานี่แล้วเราทำความดีให้กับเขามากน้อยเพียงไรเราก็ต้องไม่ไม่ตอบโต้ไม่ทำร้ายเขาเป็นการตอบแทนเราต้องรักษาความดีไว้เสมอจากคุณโก้โกหนุ่ยนะครับการที่เราอนุโมทนาบุญกับผู้ที่มาทำบุญเราจะได้มากน้อยเพียงไรครับก็ได้ความสุขในรูปแบบนังไง เห็นคนนึ่นก็ทําบุญแล้วเราชื่นชมยินดีไปกับการทําบุญของเขาเราก็ได้ความสุขดีกว่าเกิดความรู้สึกไม่ดีเช่นไปคิดว่าทําแล้วไม่ได้อะไรทําไปทํำไมเสียเงินเสียทองเปล่าๆคิดอย่างนี้แล้วเรากลับไปเสียดายเงินของเขาทั้งท้องทังเช่นไม่ใช่เป็นเงินของเราแทนที่ได้รับความสุขเราก็ได้รับไม่ได้รับความสุขกับได้รับความไม่สบายใจยันเห็นใครเขาทาความดีก็ชื่นชมยินดีไปกับเขาจะดีกว่า เราก็จะได้ความสุขตามไปด้วยคำถามจะพู้ฝากถามบนเขานะครับเราสามารถนำหนังสือธรรมะจากที่อื่นวงเล็บจากวัดไปมอบให้อีกวัดหนึ่งได้หรือไม่จะเป็นการผิดระเบียบปฏิบัติอะไรหรือไม่ก็ต้องถามผู้รับวัดที่เขาจะไปให้เขาว่าเขาต้องการเขายินดีที่จะรับหรือไม่เพราะบางวัดเขาอาจจะ มีการวิธีสอนที่มันไม่ตรงกับหนังสือที่เราไปมอบให้กับเขาเขาอาจจะรับก็ได้รับแล้วเขาเอาไปเก็บไว้ในกูดังหรือว่าเขาก็เอาไปแจกที่อื่นต่อเรื่องการให้หนังสือธรรมะก็ให้ได้ผู้รับก็รับได้แต่ส่วนจะเอาไปแจกหรือเอาไปทําประโยชน์อย่างไรอย่างหนึ่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหนังสือนั้นว่าเหมาะกับผู้รับหรือไม่ถ้าไม่เหมาะกับผู้รับไม่ถูกกับผู้รับเขาก็อาจจะไม่เอาไปใช้ ไม่เอาไปอ่านคําถามจากคุณหลงรู้แต่รู้สึกนะครับที่ว่าจิตรู้กับตัววิญญาณตัวเดียวกันไหมคะคือตัววิญญาณนี่มีสองสองตัวด้วยกันตัววิญญาณที่ออกจากร่างนี้ก็คือจิตทั้งดวงตัวรูน้นี่ส่วนวิญญาณอีกตัวหนึ่งนี้คือวิญญาณที่มาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เราเรียกวิญว ญ, ญาณในขันห้ามีสองวิญญาณ แต่ก็เป็นตัวรู้เหมือนกันรู้ต่างกันตัววิญญาณในขันธ์ห้านี้จะรู้รูปเสียงกลิ่นรสส่วนตัววิญญาณตัวรู้นี้รู้เป็นตัวรู้ ร, ร, รู้รู้วิญญาณอีกทีรู้ว่าได้รับรูปรับเสียงกลิ่นรสมาจากตัววิญญาณอีกทีนึ่งจะคุณสุ ข, ขุมนะครับเราสามารถฝึกสติจากการฟังได้ไหมครับได้ก็ตั้งใจฟังไย อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นเวลาเราฟังธรรมก็ตั้งใจฟังเราก็จะได้สติจากคุณพัทรละพงศ์นะครับการพิจารนากายจำเป็นต้องรู้เท่าทันอิริยาบทเสมอไปหรือไม่หรือแค่รู้ว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ยึดติดในกายอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วครับออมันถ้าดูว่าเป็นไม่ใช่ตัวเราของเรามันเรียกว่าปัญญา แต่ถ้าเฝ้าดูเฉยๆไม่ไปคิดอะไรนี่เรียกว่าสติขั้นต้นเราต้องการหยุดความคิดด้วยการใช้การเฝ้าดูร่างกายเป็นอุบายเป็นวิธีหยุดความคิดเพื่อจะได้มีสติสตินี้คือการหยุดความคิดส่วนปัญญานี่ยังคิดอยู่ดูร่างกายแล้วก็คิดว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเรียกว่าปัญญาไม่เหมือนกันคาถามจากคุณสุกกุ้งนะครับ ชีวิตทางโลกทําให้ทุกข์เราควรทําใจอย่างไรขอคําแนะนําด้วยเจ้าค่ ะ, ะ, ะก็รู้เมื่อรู้ว่าทุกข์ก็ต้องก็ต้องออกจากความทุกข์ไปเสีย จ, จะอยู่ทาไมถ้าอยู่ในคุกตารางถ้ารู้เป็นคุกเป็นตารางเราจะไปอยู่ทําไมใช่ไหมเราก็ต้องหาทางออกทันใดถ้าเรารู้ว่าชีวิตทางโลกมันทุกข์เราก็ต้องหาทางออกทางออกก็มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าพบทางออกจากกองทุกข์อยู่แล้ว ท่านก็สอนเราอย่างที่วันนี้เทศให้ฟังเนี่ยคือทางออกให้เราทำบุญะละละการกระทำบาปทั้งปวงให้ทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ทำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์เนยแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ออกจากกองทุกข์กันจะคุณเพนสีนะครับถ้าระหว่างนั่งสมาธิมีอาการเอนหน้าเอนหลังจนเกือบถึงพื้นต้องทำอย่างไรต่อคะใช้วิธีดึงกลับมาถูกไหมคะ ก็แสดงว่าไม่มีสติแล้วลนะถ้ามีสติมันจะไม่เองเนอี่ยอย่างพวกเราตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้เอนนะไหมใช่ไหมนั่งตัวแข็งตึ ง, งพอมีสติตลอดเวลารู้สึกตัวตลอดเวลาแต่พอนั่งสมาธิปั๊บเริ่มเคลิ้มละ่ะพอพูดโทสองคำปล่อยและ่ะปล่อยร่างกายมันก็ละเองไปเองมาถ้าเองไปเอนมาก็แสดงว่าไม่มีสติลุกขึ้นมาเดินดีกว่าเดินจะมีสติกว่านั่งสร้างสติขึ้นมาก่อน เมื่อมีสติแล้วค่อยกลับมานั่งใหม่ถ้ายังนั่งแล้วยังยังยังเองอยู่ก็อย่าพึ่งไปนั่งเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้ามีสตินี่นั่งอย่างตัวตรงนั่งนั่งอย่างไรมันก็จะนั่งอยู่อย่างนั้นเหมือนกับที่พวกเรานั่งกันอยู่ตอนนี้มันนั่งอยู่ยังไงมันก็นั่งอยู่อย่างนั้นเพราะตอนนี้เรามีสติรู้สึกตัวตลอดเวลาจกคุณกระลองนะครับ เอาเงินให้ลูกเล็กๆสามขวบไปใส่ตู้บริจาคอันนี้ถือว่าลูกทำบุญไหมคะย่างเหรอ ก, ก็เป็นการสอนให้เขารู้จักวิธีทําบุญเท่านั้นเองเพราะยังไม่มีเจตนายังไม่ใช่เป็นเงินของเขาจากคุณกาญจนานะครับโยมทําบุญและอธิษฐานจิตถึงคุณพ่อและคุณแม่ครูบาอาจารย์และโทรไปหาท่านให้ท่านอนุโมทนาท่านจะได้รับบุญหรือไม่คือบุญที่เราทานี้ท่านไม่ได้รับหรอก แต่บุญที่ท่านอนุโมทนาเนี่ยท่านท่านได้คือท่านแสดงความยินดีท่านมีความสุขกับการทำบุญของเราบุญต่างกันคนละชนิดกันจากคุณปูนะครับแพทย์พยาบาลที่ทำงานในทุกวันนี้ควรวางใจอย่างไรไม่ให้ท้อแท้ขาดกำลังใจในสังคมที่กำลังตำหนิติเตียนจับผิดคือต้องเข้าใจว่าอาชีพของแพทย์ของพยาบาลนี้เป็นอาชีพเหมือนของพระ ต้องไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนนะครับหวังเพียงแต่อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเหมือนกับพระนี่ก็บินทบาทรขอขอให้มีรายได้พออยู่ได้ก็พอไม่ต้องการที่จะเลียกร้องอะไรเพราะเป็นอาชีพเสียสละเป็นเหมือนอาชีพพระแพทย์พยาบาลหมอครูอะไรพวกนี้ต้องถือว่าเป็นอาชีพอาชีพบุญสิ่งที่ควรจะได้คือบุญ อย่าไปหวังลาบยศสรรเสริญเป็นผลตอบแทนเพราะจะทําให้ท้อแท้พอดุถูกเขานินทาหน่อยก็เลยท้อแท้พอเราไปหวังสรรเสริญกันพอก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้ก็ท้อแท้พอเราไปหวังลาบกันพอเขาไม่ตั้งตําแหน่งให้เราเราก็ท้อแท้เพราะเราหวังยศกันถ้าเราทําอย่างนี้เพื่อหวังลาบยศสรรเสริญเราก็จะท้อแท้ไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ตาม แต่ถ้าเราทำงานเพื่อเพียงแต่เป็นการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราไม่ได้หวังลาบยศสรรเสริญความท้อแท้จะไม่ค่อยเกิดใครจะดา่าใครจะว่าไงก็ไม่สนใจขอให้มีข้าวกินก็แล้วกันทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นเองไม่ได้วังทำเพื่อให้ได้ลาบยศสรรเสริญให้คิดอย่างนี้เราจะไม่มีความท้อแท้ในการการทางานต่างๆจกคุณธนวุฒินะครับ ผมอยากจะลาออกจากงานเพื่อไปบวชเพื่อศึกษาธรรมเพราะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายในทางโลกแบบนี้ถือว่าเป็นกิเลสหรือเปล่าไม่หรอกถ้าไปบวชนี่มันเป็นธรรมเป็นการไปฆากิเลสจะเป็นกิเลสได้ยังไงถ้าเราอยากจะไปฆากิเลสมันไม่เป็นกิเลสหรอกถ้าอยากจะไปรับใช้กิเลสนั่นนะ่ะถึงจะเป็นกิเลสเช่นอยากจะไปเที่ยวอยากไปกินไปดืม่มเนี่ยเรียวกว่าไปรับใช้กิเลสถึงเป็นกิเลส อยถ้าอยากจะไปฆ่ากิเลสนี่แม่เรียกก็เป็นกิเลสเนี่ยเช้นอยากจะไปบวชนี่มันเป็นการฆ่ากิเลสไปชำรากกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจจากคุณหลงรู้นะครับพิจารณาขันห้าได้กระจ่างแล้วจนเห็นตัวรู้ที่หลงยึดทุกสิ่งแต่ทำไมเจอกระทบแล้วยังทุกข์คะยังปล่อยไม่ได้รู้แต่ไม่ปล่อยต้องปล่อยให้ได้ถ้าปล่อยได้จะเฉย จะเฉยได้ก็ต้องไปนั่งสมาธิก่อนตอนนี้เราไม่มีตัวเฉยเรมีตัวรู้มีตัวปัญญาแต่ไม่มีตัวสมาธิปัญญาเลยไม่เป็นภาวนามายาปัญญาเป็นจินตามายาปัญญาเป็นเป็นปัญญาที่เกิดจากความคิดเพียงอย่างเดียวต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากความคิดและความสงบคืออุเบกขาด้วยถึงจะสามารถทําให้เราปล่อยวางขันห้าได้ดังั้นตอนนี้ต้องไปฝึกสมาธิ ทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาแล้วต่อไปใครพูดอะไรใครทำอะไรกระทบเรานี่เราจะเฉยได้จะคุณน้องนาศนะครับอ่านพระไตรปิฎกเข้าใจรวดเร็วมากและลึกมากเห็นรูปพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าน้ำตาไหลาภาคปิติท่วมทน้นจนเหมือนไม่มีคำถามเรียกว่าเราอุปทานหรือเปล่าคะหรือเป็นเพราะอะไร ก็จะอุปทานหรือไม่ก็ต้องดูว่าเราสามารถเอาความรู้เท่าใดเรียนรู้มานี้มาใช้กําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเราได้หรือไม่ถ้ากําจัดไม่ได้ก็ถือว่าเป็นอุปทานถ้าสามารถกําจัดได้ก็ถือว่าเป็นของจริงเป็นความจริงใครดาก็เฉยได้ใครขโมยเงินไปก็เฉยได้ใครแย่งเมียแย่งผัวไปก็เฉยได้อย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ได้เป็นอุปทาน แสดงว่าเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงที่ทรงสอนว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ให้ปล่อยวางเสียอย่าไปรักอย่าไปหวงใครจะไปให้เขาไปไม่ต้องไปเสียดายถ้าเสียดายก็แสดงว่ายัางไม่เข้าใจความจริงพระอาจารย์ครับตอนนี้คำถามหมดมีคำถามครับอาจารย์การจะเข้าดิ่งจิตดิ่งหรืออัปนาสมาธิเนี่ยครับอาจารย์ นอกจากการปฏิบัติด้วยตนเองแล้วหากมีวิธีอื่นที่เป็นทางลัดเนี่ยที่สามารถทําให้จิตดิ่งได้เนี่ยเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไหมครับอาจารย์ถ้ามันเป็นความจริงก็ไม่มิจฉาทิฏฐิถ้าสามารถทําให้จิตเขาดิ่งได้มันก็ไม่ใ่มันก็มันก็ถูกอะ่ะนะแต่ถ้าทําแล้วมันมันมันทำไม่ได้เงี้ยมันถึงจะเป็นมิจฉาทิฏฐิมันไม่ตรงกับความจริงไงทิฏฐิที่ตรงกับความจริงก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิที่ไม่ตรงกับความจริงก็เรียกวิบิจฉาเช่นความเห็นว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีมันไม่ตรงกับความจริงความจริงมันมีนรกมีสวรรค์มีการเวียนว่ายตายเกิดมีการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดมีอันนี้เป็นความจริงคนที่เห็นอย่างนี้เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิคนที่เห็นว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีตายแล้วสูเนี่เป็นพวกมิจฉาทิฏฐิเพราะไม่ตรงกับความเป็นจริง ในสมัยก่อนคนที่เห็นว่าโลกนี้แบนนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะสมัยนี้ทุกคนนับกันแล้วว่าโลกนี้มันกลมเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิงั้นทิฏฐิที่เป็นสัมมาก็คือทิฏฐิที่ตรงกับความจริงความเห็นที่ตรงกับความจริงก็เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ไม่ตรงกับความจริงก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิแสดงว่าไม่ว่าจะรูปแบบใดถ้าเกิดว่าทําและเกิดผลดีขึ้นมาทางด้านการปฏิบัติหรือว่าเป็น สมาธิแต่หากทําแล้วไม่เป็นตามจริงที่พูดถือว่าเป็นมิจฉาทันทีก็ถ้าเราพิสูจน์แล้วว่ามันไม่เป็นเช่นเราไปว่าสัตว์ตัวนั้นเป็นแมวพอเราเข้าไปใกล้มันกลายเป็นเสือขึ้นม า, อาเองก็แสดงว่าเรามีความเห็นผิดแต่ตอนเราต้องไปพิสูจน์ถึงจะรู้เป็แต่คิดเฉยเฉยยังไม่รู้คาถามจะคุณการจนานะครับก่อนหลับโยมนอนภาวนาไปเรื่อย ตาหลับแต่จิตไม่ยอมหลับจนรู้สึกเมื่อยจะบังคับจิตให้หลับก็ไม่ยอมหลับเจ้าค่ะเป็นเพราะอะไรเจ้าคะบางทีจิตมันตื่นไงจิตมันไม่ง่วงร่างกายมันก็เลยไม่หลับย้อนวิธีที่จะให้หลับก็คืออย่าไปบังคับยิ่งบังคับยิ่งไม่หลับใหญ่วิธีที่จะให้หลับก็ต้องกล่อมจิตด้วยการจเจริญสติให้จิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกไปดูลมหายใจไปแต่ระวังอย่าใหาม้มีความอยากจะหลับ ความอยากจะหลับนี้จะทำให้นอนไม่หลับก็ดูไปหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้เดี๋ยวมันก็หลับเองจะคุณพงภูมิพันธ์นะครับการเกิดของแต่ละท่านก็เกิดมามากต่อมากการปฏิบัติก็เยอะมากมายเหตุใดเกิดชาตินี้ถึงไม่ต่อการปฏิบัติทำอย่างไรจึงจะต่อของเดิมได้ครับก็อยู่แต่คนในดุตชาตว่าเคยทามาหรือเปล่าบางคนไม่เคยทำมาเลยก็ไม่ ก็ไม่สามารถที่จะทำได้ก็ต้องมาเริ่มต้นที่กอไก่ขอไข่บางคนที่เคยทำมาแล้วก็สามารถทำต่อได้เลยบางคนมาเกิดปั๊บก็รักษาศีลได้เลยบางคนมาเกิดปั๊บก็นั่งสมาธิได้เลยอันนี้แล้วแต่ถ้ามีของเก่ามาก็ทำต่อได้ถ้าไม่มีของเก่าก็ต้องเริ่มต้นใหม่จากคุณธนวุฒินะครับ ถ้าออกจากงานแล้วไปบวชแต่ทำให้แม่ทุกข์ใจจะบาปไหมครับอ๋อถ้าแม่ทุกข์พ่อพออยากให้เราไม่บวชนี้ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่บาปหรอกเพราะเราไม่ได้ไปทำร้ายท่านถ้าเราไปทุบตีท่านหรือถ้าเราทอดทิ้งท่านถ้าไม่มีใครดูแลท่านเลี้ยงดูท่านแล้วทำให้ทุกข์ยากลาบากนี้ก็ถือว่าบาไม่บาปเพียงแต่ว่าไม่ได้ทำบุญเราไม่ได้ทำหน้าที่ของลูกทอดทิ้งพ่อแม่อันนี้ก็ไม่ควร ถ้าเราจะไปเราต้องมั่นใจก่อนว่าต้องมีใครดูแลท่านได้เราถึงค่อยไปถ้ายังไม่มีใครดูแลแล้วท่านยังต้องพึ่งเราอยู่เราก็ต้องเอาท่านไปด้วยก็ได้บางคนก็เอาแม่ไปบวช ด, ด้วยเลยเรวก็สามารถเอาอาหารที่บินระบาลนี้มาแบ่งให้แม่กินได้พระพุทธเจ้าอนุญาตคำถามหมดครับอาจารย์ก็สอสมควรแก่เวลานะเพราะรู้สึกว่าฝนฟ้าจะตั้งเขานะ